วันนี้เป็นวันธมะประวันน้ <c oughs> ที่เปิดมีเป็นหลายประเทศมนเรียนกันมีจากออ ส, ตสเตรเลียฮอลแลนไทยสามส่ประเทศก <c oughs> ารมาของทุกท่านหนึ่งเหมือนในการประชิดปฏิบัติในสี่นาชมวัด เี่ยวทัศนาจรคือมุ ừ, mình mình mà, ừ, mà, ừ, ่งมาปฏิบ th ัติกายาใจจิตของตัวอยู่็นความต่างใจยู่มาจากปฏิทต่างๆตลอดช่วงตปลวเอวจึงอยู่ในปฏิทัยก็มุ่งมั่นจะมาชำระกายใจของตัวก็อยู่ในครอบครัวตาเรือนนั้นโอางเว มันทร์ภาวนาจันไาใจนั้นมันดึนางยาเพราะการงานมันม า, ากดางนั้นวัเนเนี้นี้หรือว่าเป็นวันธรรมสวันะคือวันระดับรัางทางธรรคการทางธรเราต่างจิตต่า ง, งใจระดับรัางจริงจัง ก็เป็นบอกเก็บกับปัญญาคือว่าตื่นตังและก็เตัญญาังดยดียอมมีปัญญาสามาถที่จะกาจิตทั้งต้สะอาด้โป่งใสให้สงบุ้นี่ตนตังมะดดียอมมีิยอมมีปัญญารักษาาจิตทั้ง ขี้เกลื t ขีเสต่างๆอูกอยู่ียไปตาไ้ในอนิสงค์ของปานต่งมีอยู่ถึง h ้าประาคือประางเลเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังก็จีองสิ่งใดีบเราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วแต่จดจำไม่ได้ลืมหลงไปเมื่ได้ฟังอีเราจะจับจำได้ เลยทำโนมนนั่นสั่งสอนทั้งท่านก่อตีตามผู้กลางารรมอย่างมีจิตใจส่งใสแล้วตลางกางธรรมในเนกลานกลางรงกลางเทต่างๆกลากลางธรรมกลางเรื่องของจิตทำชำระและวิเดจัญหาชำระและจิตจิตเนณะทางจิตทางใจทังตัวไปจบไปได้ จิตใจจึงมีโอกาสที่จะสงบปลอดใสเป็นอนุสังค์องการสังทมที่ถูกต้องกวามคิดติต่อไปติดตั้งทย่างวย่ำทรความเห็นข้งเตียวเหตุเตียวเตีต่อมักต่อผลต่อสวนนิคพาน โกดิษฐานอะไระ <c oughs> จำไม่ได้นะเล้วตาเกิดดีมันมีห้าข้อจะได้4ี่ข้อท่งนั้นจำจำหรือสัญญาอนิจจาอันนี้เป <c oughs> ็ น, น, นงบการทางธรรทา ง, งหากเราเมื่ระดับรักทางล้าก็หนูว่าอะไรดีเสียผิดถูกเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นไัยโดยส่วนใหญ่ ปัญญาของพวกเราทั um <that> okay? ่วไปในการเกิด huh ขึ้นจะต้องอาศัยการสวดมนต์จึงจะรู้จักว่าอันนั้นเป็นทางเสือทางเสียอันนี้เป็นทางดีควรปพปฏิบัติเมื่อเราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เสือทเสียเรากจะมัวเมาสาบซึ้ทําิูกลิด ในสิ่งผู้จิตที่เป็นโทษเป็นทุกข์เปิดทุกข์กว่าจริเขาใจใจของเราเดือดร้อนแต่นั้นการสรงททำสอนการรู้ไจจ้าจป็นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะจำทำาคนเดียทำไมอยากตามทำทำสอนการรู้ใจเจ้าไม่อยากคิดทำไม่อยากอ่านทำคนนั้นเหมือกันกับคนไข้หนั แต่รักษาหมอไหนก็กีไยวกัยาจรักษาให้เราเบื่อยาเราอยากไปหาหมอคนไข้แบบนั้นก็ไม่มีรังเวลาที่จปุกจาจะบายจะกหายจากโรคใครได้คนที่ติดก็มีแตหางพวป่าช้าอีเขาฝังกันแถนั้นจะเอาท่านต่อทำนายโยกันถ้าเบืยอทำเรอยากทิ้ดอยากต ในเรื่องของอดของทำในอยากระดับราษฎรเรื่องของทเอาแต่เรื่องของโลกของที่เหลือปัญหาเราจิตใจอยู่ตลอดเวลาคนนั้นหาความสงบปุกไม่ได้จิตใจเต่ามขุนมัวไม่มีโอกาสเวลาที่จะจะอาดสงบแต่นั้นการต่างทำมนเป็นเรื่องเสมอแต่เราต้องเป็นใจชัดเจน ในว่ออักขอ้อทำที่ตั้งสอนไปจะนไปใส่คิดวิจารณ์ศึกษาตัต้งหน้าปฏิบัติตามคาสอนของพระพทเจ้านั้นทุกท่งนที่นั่งไปไปฏิบัติฝึกหัดดัดใจบายใจใจปองตัวให้เติบโตทางที่เป็นอัดเป็นทำคนนั้นจะมีความ สุความสมาในมีการตันหนึบติดโทตัวองตัวอย่าเชื่ออ ย, ย่าเสียในการทาการพูดการคิดหนื่อคืออายุสองอ่หุ่นึ่งจักตัวองตัวเองเราได้แต่ทำมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษแรงเราถองแต่ชื่อว่าเราจะพูดดีอย่างปฏิปันโนปฏิบัต ดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีไม่มีอะไรสิจะตำหนิมินทางไม่มีอะไรสิจะเชื่อจะเสียนาพับขนทางสายลายใจใจทั้งตัวเมื่อไม่มีความเชื่อความเสียเมืนกันกับร่างกายที่ในนรกให้มาเบียดเบียนเราจะไปมาทาการทำงานอะไรมันก็จะเะดวกสบายเราจะหลับจะนอนจะยืนจะเดิน จะจิ้มจะเบืนนั้นประเดียวทั้งนั้นเพราะร่างกายของเรามีโรคภัยเดือดเดือดจิตใจทังเราจะทำในเดียดกันทางานมีความเขีวความเสียนาเดเดียดแล้วจิตใจหย่อืมีความสกขจะนั่งอยู่นั่งดูมีความสุจะไปสถานที่ใดก็มีความยินงใหญ่ยิงใสพอจิตใจมีอัตมีทํา ที่จะมีอาจมีทำได้นนก็อาศัยคนเห่า น, นั้นพาการสนใจทำตางทมอ่านทำที่เจรนาทมคนที่สนใจทมอ่านทำคิดทำดูดีดเลือกเรื่องกิเลสปัญหาความเผื่อมชา้าเสียหายต่างๆก็ไม่มีโอกาสเยบบน็นมาที่จะพอมาพักผ่อนจิตใจของตัว จิตใจจะเบาจิตใจจะสงบจิตใจจะสงบเพราะการคิดทำคิดเจรณาทำประบัติทำอันนี้ถึงมันเป็นอย่างนั้นจิตตรงจิตตรงต่อมตอบสนต่อสว่างนิพพานคนจิตใจคิติดตามเรื่องต้องทำปริบัติปฏิบัติในเรื่องต้องทำคนนั้น จะไม่มีวันเลยนะคี่จะไปตกใโลกหมกไหมเพราะทำรักษาคุณครองสู่ประฏิบัติใดตัวไปในตัชั่วอยู่ในอชั่วอยู่ในไอ้เสียทำคุณครองรักษาเอาไว้ทำจะคุณครองรักษาเราได้แต่ตอนเมื่อเราปะิบิปฏิบัติตามธรรมในใจว่าดูดแล้วก็จะในทำมาคุณครองรักษาในเราเกิดความเสื่อมเสียหายอะไร เกินไปเลยได้เหมือนกันกับอาหารถึงจะมีใน้วยในจานแต่เรานื่นรับทานควาอื่มมันก็ไม่เกิดขึ้นยาเหมือนกันแต่มันอยในตู้เราเหนื่อนมารับทานเมื่อเราเกิดโรคใครใเจ็บขึ้นโรคภัยนั้นลมไม่หายไปยนะี่ธรรมะทรรมสอนของพระพุทธเจ้าทึ่มีอยู่ในตำรับตำลา นี่อยู่กับพรูกับอ า, าจารย์แต่เราไม่นำมาแต่เพื่อปฏิบัติรักษากายวาจาใจท่องเตือนสิ่เสื่อสิ่เสียให้ตกออกไปใจนั้นก็เดือดร้อนใจมันจะเป็นทุกข์ถ้าเรานำมารักษาชีวิตจารณาแต่ทำทางตายเดืดความบริสุทธิ์สู่ทางวาเดตัดเดืดจในเดดู่โกหกพกลม คิดทางจิตทางใจคิดไปเสือละเสือถอนเสือปล่อยเสือวางต้องล้างล้างที่เลดีบ่อยบ่อยคนนั้นก็จะมีความสุขความสงบเรื่งความทุกข์โทษต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่โกรธไม่ทุกข์ในจิตในใจจิตใจสุขจิตใจสบายจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมน่ารั ตวามทุกข์ยากลำบากมันจะเกิดขึ้นมาแผลเผาจิตใจของเราได้อย่างไรนรก็คือเรื่องความเหนือเรื่องความ้อาเสียต่างๆตัวเองทาไปตำหนิตัวเองคนอื่นก็ทำขี้อวเรายังตำหนิเหนือตัวต้องตัวเองไปทำถ้าในนีปติในมีปัญญาในนีธรรมะมันจะได้ทราบว่ิ่งนั้นมันขื่อมันเสียอย่างไร ทำไปแล้วแั้วก็เกิดทุกเ ก, ดท ก, กเกิดโทษแก่เจ้ทของตัวแต่นั้นธรรมะยังไม่คุ้มครองรักษาเกิดติดต่พิษเสี่ยชาเสียหายแผ่นซีซ้อนอมือสติมือปัญญารักษากายวายจาใจของตัวมีสัมมาเวลานังเสวยเสวยโอช่วยก่อนจะทำก็ดีจะปวดก็ดีแต่ทีนี้ทีใจนะ คิดอ่านใส่ตองเสื้อก่อนถาอ้าหนูพิาจารณาทำลงไปโดยความชอบใจในซาบาสิ่งนั้นจะติดถูกเชื่อดีอย่างไรมันแก้ไขไม่ได้เหมือ น, นกันกับเราพิจาราเหน็นว่าสิ่งนั้นเราอยากแล้วก็เงินลราใส่กินต่อไปในท้องเราใส่ของเราถาา้าเป็นอยากคิดนั่นก็ ในมือทายคือจะทายออกมาได้สลที่สุดคนกินยาพิษจะต้องถึงสึงความตายอยู่ความผิด ท, ท, ท, ทางใจทางวาจาทางใจที่หน่อยใส่คิดติดตามเหลยอเศษัญญาขอทำหนองเดียวกันอยา่าเดือนว่าสิ่งนั้นมันเหมาะมันสมมันดุจมันดีน่ายเดียวใส่ทีนี้ที่จะนาหาสาระแก่สารกินจังเสียก่อนเมื่อมันถูกต้องมีโทษมีทคร ก็ทําไปได้พูดไปได้ในสิ่งเหล่า น, นั้นเหมือนกันกับการทานอาหารสิ่งนั้น น, น, น, น, นั่นไมเมเสียะม่มีพิษมีภัยว่าทางเราใส่ในตัวเกิดประโยชน์ร่างกายของเราเกาะมีความสุขความสบายมีกำลังมั่งค่าที่จะต่ อ, ต, างงา ต, อ, อต่างการงานต่างๆได้เรื่องของใจต่ออาศัยอาหารเป็นเช่น อล่าเลี้ยวเาที่จะมีกำลังทำการทำงานได้เปลียใจกับทำอย่งเดียวกันต้องมีอาหารคือมีอัดมีทำปลูกคือมีพิจาณาทำคือศึกษาทำคนนั้นแหละมีอาหารค้องใจแทนที่จะโกรธจะโลภจะลงในสิ่งต่างๆนาน า, นาเด้๋ยวทำนะ คือดูดในใจแทงใส่จิตสอนใจทัองตัวว่าโลกปสดหลงนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อผู่เสียคนอื่นเพราะเป็นเราเห็นยังไม่พอใจแต่ไหนตัวของเราจะไปโสดไปโลกไปหลอย่างนั้นมันสอนใจหักห้ามใจเหวี่ยถ้าหะเราหนี้ปฏิปันญาหนี้ธรรมะ มันแสวงใจของเสืเหนืองน่ะมันอยากคิดอยากทำอยากพูดอะไรมันก็พูดไปคิดไปทําไปตามความผักดันของสิเลสแต่นั้นสิเลสจึงเป็นสิงที่เต่าหมองทําผิดทำใจให้เดือดร้อนทาให้ผู้คนประชาชนทั่วไปในหลองใส่ศรัทธาเรามาเข้วัดเข้าวาแง่งหาธรรมะ แต่จงดูภายในทั้งตัวใจของเรามันเพื่อมันเหลืออย่างไรหรือมันเป็นอาจเป็นธรรมอย่างไรการรักษาเอาไว้หรือควรจะสละไปมันเจะต้องใช้สติปัญญาที่วีชัยเจริญนาเพราะเพื่อจดูในดูเยื่อื่นดูก็ดีในดูเยื่อื่นดูอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนรกจักรันวิถานไม่มีวิชี่ไหน ธรามโบราณจึงเป็นธรรมาทึดฐานทํนจึงกล่าเอาไว้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิดฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเหมือนสัตว์ไม่ดีอยู่ที่อื่นคนที่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะยุ่เหยิงัญหาเพราะการทําการผูดของตัวเสือวเสียต่างๆนานาอดีตผ่านมา มีแต่ทางเสื่อทางเสียปัจจุบันก็มีมีอยู่เวลาทางที่จะสงบรงบ้างมีแต่ความรุ่นวาเดือดร้อนเพราะความคิดความปรุงาองผิบไปทางผิดทางเชื่อคนแบบนั้นแหละอยู่ในปัจจุบันคุณยังไม่ตายเพราะตกนกด้วจิตใจของเขาเดือดร้อนใจของเขาใส่หมองหาความสุข ความสบายไม่ได้ถึงีอยู่ที่อาศัยใหญ่โตเป๋เงินทองจะมากมายต้องแต่ถ้าใจของเขาเดือดล้อใจของเขาเศหมองถพาะมันมีความฝุ่นมมีความสงบให้อย่างอย่าร็มันเขาใจเม่อมันเหงอยู่ในตัวของตัวอย่างนั้นทั้งทงที่ยังเหน่ตายเหนื่อตายไฟจะไปที่ไหนตายอย่างไรมันจะตายไม่แน่ ไปที่อื่นแล้วมันเดือดร้อนมันเวียนวายมันยื่งเหยงมันทุกข์มันไม่มีสุขไม่มีสงบนี่คือนรกในปัจจุบันที่พวกเราท่านเห็นแล้วนรกคือมันเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแมันเลยเกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตายของเราทำวายาจของเราคูดจิตของเราคิดท่านะ เราทำดีพูดดีคิดดีความทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นมันเกิกมาจากที่ไหนการทําลงไปดีจิตใจบ้ิสุทธิ์ทำไปดีอัดดีทำถูกต้องดีงามนี่จะความปื้นอีติตกว่าเราเยทำดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจจะไม่มีวันเดือดร้อน พูดตัวลี้กันเราพูดเดออัดเดือดทพูดไปเดืคนตัดความจรงในเดพูดโกหกพกลมหลอกงเหยยยุ่คนอื่นเสียชีคนอื่นอะไรพูดเดอดความเดอตางสารพูดเดืตัดความจเราตันหนตัวของตัวหม่ได้คนอื่นถ้าเขาพูดกับเราอย่างนั้นเราก็อดขี้ การละเสริญเขาไม่ได้เราจะมีความต่หมองจิตใจที่ไหนพอเราพูดออกไปทุกท่อยทุกทำเรามีสติมีธรรมะใจมันกรอบสะอาดไม่เต็มตันตัวคลาองตัวเราเชื่อว่าเชียมันคือไม่เกิดโทษเกิดทุกข์ให้ดังนั้นการรักษากายวิจาใจ ในใจคนใดคนหนึ่งจะมารักษาให้ตัวของเราเท่านั้นจะรักษาตัวของเราเองถ้าเห็นว่าสาระมันอยู่ในอกนรกมันอยู่ในใจจริงจันั่นควจะต้องดูในเปลือกท้องตัวต่ออกใจในใจอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นที่เชื่อที่เที่เป็นนรกท่านคิดท่านใจในเดือดร้อน มีคนผัวไปขอตั้มหนึ่งท่าตัวท่องตัวเองก็ตั้มห่ตัวเองแต่เปลือกเสียเราหลีกชำะจ่าสางความเปลือเสียนั้นไปหมดไปจากตาจากวาจาจากใจท่องตัวเดือดสติเดือยปัญญาตำระออกไปเพราะถ้าศืนทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่อย่างนี้เราจะมีทางคือจะพ้น จากนรกจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าหมองความผิดทางใจท่องเที่วคนเัื่อไปเพราะความนึนงงาเพราะการทำของเราการผูกของเราการผิดของเราจนอับตโมกคนไม่เป็นทางยินงทางผีเสืแต่เป็นทางฝึกทางสบายเราจะต้องสอนเตัวอย่างนั้นชำระเตัวอย่างนั้น เราไม่ไปทำไม่ไปผูกไปคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วเน right. right. so ื่อเรารักษาตัวไม่อม่ทเชื่วผูกชั่วคิดชั่วอย่างนั้นเมื่อตอนมีตัวทำให้ความชั่ออกไปแต่เหมือนกันกับเรากั่นเราฟองนะติดขุนผีตกกระปุกเราฟองหลายหชั้นหรือกั่นออกไป นั่นคือตกตะกนั้นมันจะตกตออกไปอีกตอนหนึ่งส่วนคือมันสะอาดนั้นมันจะเป็นไปอีกตอนหนึ่งน้ำปั่นเราเคยเห็นมีปั่นมันนะมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรคือตกตะกบหัวมุมไหมในหัวมันจะเลอะจากหายจะมีความตกตะกบตกอยู่ ในนั้นคือกันออกไปเด็กเอากันเอาไอของมันคือมันสะอาดกองน้กันกองหัวหลชั้นของกระบกนั้นมันจะหายอยู่ในผองของเราส่วสะอาดนั้นมันระหยดเยอะลงไปใสหน้าดิมหน้าอาบุ่ัน วิธีการทำก่อทานองเดียวกันแล้วต้องกันต้องต้องตายใจของเราสิ่งใดสิ่งมันเชื่อมันเสียเราทิ่งมันไปอย่าเอามันไว้เอามันได้มันเป็นที่เป็นใจเขาใจของตัวในเสื่อมในเสียต่อไปในหน้อในเหม็นต่อไปในเต้าในหมองต่อไปในเดียดร้อนเวียนวายต่อไปเราจะต้องสอนใจของตัว เดี ว, จจดวตัเจตวปัญญาหนื่งคือคนปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะเมื่อไมมีทางตันนึ่ตัวต้องตังยในการทำการพูดการคิดคิดจากหลักของอาจต้องทำอย่างนั้นจิตใ จ, จก็จจกกจจยินแยงแจ่มใสจิตใจก็ฝึกก็สบายทำไปว่าสวรรค์อยู่ไม่ออกมาไดยผี้อื่นอยู่น ใจในใจของเราเนี่ยสวรรค์เกิดดีเนี่ยมีความดีมีความสลุกความสบายมีความสงบความเย็นโดยการกระทําบําเพ็ญสิ่งที่เป็นสาประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนั้นมันสวรรค์เกิดขึ้นอยู่ในตาในดวงเลท่านในอยูงที่ไหนใจมันปลุกมันสบาย มันเป็นสวรรค์อยู่แล้วเมื่อตใจใส่เสนล้วที่จะใสสวรรค์ใจของท่านมีฮีรีความอายบ า, าปโอปะตะความกลัวบาปในตาที่จะพูดจะทำจะคิดในสิ่งที่ผิดจากอาจจากทมใจจึงมีความสุขความสงบอยู่ตลอดเลยนะใจมีความขาวสะอาดมี มีวัทนาประจำใจมีอะูรตัวใจเป็นสวรรค์เดี๋ยวต่อไปหาที่อืน่นสวรรค์จิตใจของเรามันสุกมันสงบมันสะอาดมันโปร่งใสมันขาว น, นั่นเองดำอะไรตัวใจมีอัจมีทมใจมีสวรรค์อยู่ในะนั้นนิพพานจะอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่ใจเมืนกัน วิพาทคือการดับขีเหลือตันหามานะทิ่ติดที่เคยมีแสงอยู่ในจิตในใจทั้งตัวพยายามกำจัดทับไลพยายามขจายนะสิ่งต่างๆที่เป็นทิษเป็นใัยตกออกไปโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเราทั่วไปเลย สำลัมันถือกันว่าเป็นธรรมดาเขาเหมือนเราเราเห้ือนเนขาก็เลยดีดเดีดวกันระดวกสบายใปเพราะไม่ยอมขับไล่ไม่ยอมเล็ก <c> ค <oughs> ิดปลุกจิตของตัวส่วนพระวิญาณนั้นเพื่อที่จะไปได้ต้องอาศัยการขับไล่กาสรสมลักจิตใจของตัวทางความอาก ของพิลึกเำให้ช่วงว่าเดือดซีในารรักษาตาราจาปกติรักษาต่อไปโดยจคนอื่นมารักษาคนจิใจหนักแน่เยียบอ่าสมาธิจมีเหตุมีผลในตนของคนาสังเวยเร็เราในดีจะยาไปสอ แต่เราดีเรารู้สึกเขาตำหนิเงินทาถ้าเราดีจะอย th ่าไปโกรธเขาแต่ที่จ้าหนาทำสังเวยเงินทาข้างเขาแต่เราเชื่อเขาเงินทาเราจะต้องแก้ไขถ้าเราดีเขาเงนทาเขาเข้าใจผิดเราเขาเข้าใจเราผิดถ้คิดอย่างนั้นจิดมันจะตั้งม่งจิดมันจะไม่วังไห มีเหตุในผลในจิตในใจมีปัญญาจงไล่แกะไขซ้ำโลกซ้ำโกรความหลงของตัวออกไปตลอดทุกราคาตัณหาความอยากต่างๆนานาถ้าหากคนมีธรรมะคนจะไปนิพพามต้องคิดอ่านแกะไขปรับปรุงจิตใจของตัวแห่รู้เที่ยวเข้าใจถึงจิตต่างๆจิตมัน เป็นคิษเป็นไร ท, ทำกิตทำใจในเดียวร้อนเศร้หมองต่างๆในส่วนหน้านักสระพฤตปฏิบัติผูหมีลังนิพพานท่านจะต้องคิดอ่านท่านจะต้องสอมตัวมีตลอดเวลาจิตใจติดเคี่องคิดคิดแวะในวิเลตปัญหาราคโภาษาต่างๆท่านจะต้องคิดอ่านัาาน ทำมาจึงจะยึเกียดังนั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นให้พุกให้ทอย่างไรเป็นสิ่งเหล่านั้นเื่อยยุยเราด้จิตใจของเราคอยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นตามไตงคิดตั้งนึกฝึกตัวคลองตีวอยู่ตลอดเวลามีแต่จิรักษาจิตมีปัญญาสอนใจมปลตอใจตามลาทัง ผู้ที่คิดนี้ตตัวอยู่อย่างนั้นเข้าใจเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ทุกข์อยู่เพียงตระหท่านรู้ท่านเข้าใจการเกิดนี้เป็นพาล่ใหญ่เป็นทุกข์อย่างมหาศาลแต่เป็นคนอย่างอนันต์อีกเหมือนกันถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาปฏิบัติ ใหทางรักษาปุนเจริญภาวนาได้แต่เราเกิดมาแล้วมันเกิดทุกอย่างไลโรกท้ไขเก็บจีปาหะมันมาจากควาเกิดทางนั้นคอนเแื่ควอนเอจ็บควาตายมันมาจากที่ไหนขาดเลยมีเกิดทานั้นสิ่งเหล่านี้มันจะกตกไปความอยากได้มีเงียมีลานมีเสามีขวางมีผี่มีเล้วก็วเรื่กทั้งความเกิดทานั้นความเกิดจริง ทุกตั้งทันที่เราท่านยึดเอาไว้ถือเอาไว้ใใจตามเป็นจริงทั้งนั้นความเจ็บความหลดความเข้ใใจว่าความเกิดเป็นทุกข์เป็นไข่ไอเกิดยี่ี่อะไรความแชร์คาเกิดความตายนั้นไม่ต้องเรียกหาลองหานันก็มีนะอยู่ตลอดเวลาหากราด่าความเกิด เอาไว้ไม่ให้จิดใจก่อพวกก่อชาติอีกโดยตามธรรมะที่วิจัยมาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่ปอปฏิบัติใหเกิดที่จะก่อให้เกิดทุกข์นั้นเราจะพยายามนะพยายามถอนประบตมมิให้กับคือามอยากของใจอยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ถ้าท่นที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่มอยากกับเรา แต่เราไปอยากกับมันหรือเกิราคาตั้หาความถนัดมีอย่างนั้นอย่างนี้เดือดในมีอจิตในมปัญญาในสอนจิตใจในใจเราสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันเนี้เือพระตายจิจังมันมีทวาอยากอะไริดเบ่อคนตายเอาไปเผาไปันก็บื่ัวสียสังยินยอมเรืองนั้นมันก็เบ่อเสียท่านั้น นั่นเลยนี่อะไรที่เกลียดเห้อจิตใจของนั้นคี่มันเปียกตันมันเดือดแล้วมันวนุ่นวายมันอยากอย่างนั้นมันอยากอยาก่างนี้แล้วมันได้ดีได้ดีเพราะความาอยากเพราะความโอภเหล่า น, น, นั้นหรือมันมได้ผลไดุ้กอย่างไรเราจะต้องแก้ไขคือการฝึกการปฏิบับิที่ดูที่เจ้านายทิดอ่านเกลียตัดความอยากความโลภ ยาฆ่าตันหาออกจากใจท้องตัวมันมีทางที่จะประทศปฏิบัติได้หลายสิ่หลายอย่างคนที่หลงไหลใส่สัรยาได้อย่างนั้นยาได้อย่างนี้กอบกวยในวันเช้าพอบริบูรณแต่จะรเรียนสาษคจนกระทั่งวันขอย น, นี่จ ะ, สะแสวะเหยืนย่นเว้เล่าเพีย บัตพฐานภายนอกในเค่ิดอ่านารนี้เกิดมอเพราะอะไรเราจะอยู่ขฟ้าไหมหรืเราจะตายไปคนตายไปได้อะไรจิตตัวไปบ้ า, างนไ้ิม่สอนตัวเองมันเป็นกิ่งากได้ไม่มีทางที่จะทำละจิตใจงตัวตาคนแม่สอนตัวเด๋ยวทำนะมันจะมีทางทแล้วจิตใจ เนี่ยมันล้างออกไปใจมันสะอาดใจมันสงบใจมันเป็นสุขเจ๋เห็นอนนี้สในตจมณะล้างจิตใจทงตัวสิ่งที่เร่คิดท่องตัวพันแล้วสมะมันออกใจใจมันสบายมันสบายล้วก็ท้าในใจประพฤติปฏิบัติตของเราอยู่เจอสมณะสาสางล้างกังหะความอยากของใจเด็ด อำนาจของปัญญาแผดเผาชีิตที่เจรลญมาหาความเพียรขงมันเหนื่อใจมันขมมันใส่ใจแัดเกนมันจะยามจานนตลสิ่งนั้นมันป็นอย่างนั้นกินกิ่างนั้นราไม่ต้องะหน่ายถนห่ยหน่าใจได้ใจมันต่อฝึกมันต่อสบายนี่ยาวแบบทางไปพระนิพพานนั่นเองอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจของเรา แต่เราสมาธิศาสตร์แสงอยู่เรื่อยๆทีนี้พิตใจนาธรรมะอยู่เรื่อยๆกำจัดอยู่เรื่อยๆอะไรทสงสัยนำมาไขคิดแก้ไขใส่ใจมันดูมันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวกับหุดต้องพ้นต้องดับความคิดความปรุงคามยิ่งความเกี่ยวแต่ความอยากเห็นนั้นมันตกไปหมดไป ทุกในจิตในใจที่เกิดขึ้นไม่มีโศกความโศกแต่ี้เทวะความห่งใจโธนะความน้อยใจหรืออะไรต่างๆมันไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะใจมันเป็นสุขใจมันรู้มันถึงอาจถึงธรรมคือพระพุทธเจ้าี้เห็น มันจะจัดเย็นในตัวตายมันจะแตกสลายตายไปเมื่อไรใจสิผ่องใสใจสบริสุทธิ์นั้นมันตายไปไหนแห่งตากวิเวนไหนที่จะเกิดขึ้นโลกวนใจไม่มีา ท, าท่านจึงะนิพพานทานนั้นสิอยู่ในโลกแต่จิตใจเป็นนิพพานเพราใจดับวิเวกปัญหามานะคิดผิดอริชาวปาทาน ออกจากจาตใจของตัวบ้างเห็นวิญญาณเสนอเยี่ยงอื่นดังนั้นพวกเราผู้เกิดมายินยอมต่างหน้าต่างตาแสวงหาคุณธรําคือคุณงานความดีเอาไว้เมื่อเสตายไปจะให้คนอื่นโทะทำบุญเชิญทานเหรอเราต่างหน้าต่างตาตอบกยเอาเสียเมื่อตายไปใครจะทำให้หรือไม่ทำให้อย่าไป อย่าไปคิจะเอาบุญอกุศลจากคนอื่นเขาเราทําโอ้วยังพอบริบูรณ์แล้วเราสะดวกเราสบายแต่ยังยังหัวาจเกิดจะบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้นั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราจะเกิดสถานที่ใดจะไม่มีความทุกข์ใจอดอยากตากหนองเพราะบุญกุศล สเสียให้ไปสิ่งไหนโดยมีการผิดหวังถ้าเจอเหสาสมเอาไว้บาปตามเชือกผูกไปให้ละเหยเพราะบาปนั้นให้ผลเป็นทุกข์โดยมีคนอื่นจะไรับสมบัติที่ตัวทำโยไปเดือดร้ายาจใจทาดีต่อตัวของเราจะได้รับทำเชือต่อตัวของเราจะรับโดยใจคนอื่นก็จะรับให้ เรื่องทรอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจริงป็นของง่ายเพราะปฏิบัติในใจในใจของเราจริงๆเชื่อเราเล่าจังการอย่าไปทำเพราะทําแล้วตามเที่อที่ว่าทําไปจะให้ผลถูกใจคนอื่นก็จะมารับแทนความดีถึงจะลําบากยากเย็นใจไม่อยากจะทําต่อบังคับบังชางให้มันทา เมื่อทำแล้วอายุสแลพวความดีมนั้นมันจะเกิดขึ้นมีความสุขความสบายเสียกายเสียใจทังตัวทั้งๆที่สิ่งนั้นเราไม่ชอบทำแต่ทำแล้วมันเกิดผลเกิปดประโยชน์เราก็ควรทาสิ่งที่เราชอบทำแต่มัเกิดโทษเกิดทุกข์เราก็ควเรเล้น มีการสอนใจท่องตนการที่นิพจนานทำเรามีทำเป็นของท่องตนมีทำเป็นเสืผลตามทำที่เราทำโดยเป็นท่องตนหรือมีใครเขาจะมารับให้แต่เราสอนใจต้งเราอยู่อย่างนั้นการทำเชื่อพูดเชื่อคิดเชื่อต่างๆเราก็จะหักห้ามตัวท่องตัวไ ด, ด้การทําดีโดยกายโดยวาจาโดยใจประยุทธ แข็งแกรแต่ทำบำเทนเมื่อเราตั้งนาตั้งซาสมาเชื่อบำเท็ญดีอย่างนี้จะพระวิธานมันอยู่ที่ไหนเราใจเห็นขึ้นจากใจของเราแต่ใจคนอื่นจะยกมาให้ใจหมดที่เหลือัญหาหมดอวิชาอุปาทานนั่นก็เป็นวิธานเอง มาได้อยู่ที่อื่นดังนั้นเพื่เราท่านที่จะได้จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เคยตายไปเพิ่งจะเห็นเราเป็นเช่อนอยู่นี้แหละจะทํามันเช น, น, นไปทำดีส่วนใดส่ควรทําได้อย่าปล่อยตาละเลยอย่าทําชีวิตให้เป็นเหมือนอิสาะทํากันวันนั้นนี้วันนี้หน่อ ย, ม, อยาอ ม, มาหยุดในถอยนั่นก็มากไปเอง บุนก hey. well, ุศนเหมือนกันตัพวกมันก่อจอปพวกหรือผึ่งมันทำเร็วทำางางของมันนัมีเรามามาหลายเหลองอะไรแต่มันทำไ่หยอะไปถอยมันก็ใหญ่โตขึ้นเลยถึงพาอาศัยสุดตายสุดใจของมันมีเพื่เราท่านแสวงหาบุญทานก็ดีนี็ดีภาวนาดีดีจะทำบุญเพต่อป่วยเอาวัน นั้นนี้วันนี้หน่อยในเด็กในถอยมก็าขึ้นไม่มันหขึ้นมันก็จุสบายจิตใจถ้าม่เด็ตั้งมีไหวตัวเขียวเสียชีวิตมนเป็นโลค่ะหอคือการสอนจิตชำรยใจท้องตนในเป็นคนประมารีดแตทำบำเพ็ญคุณงามความดีทุกหญิงผงาดีเหมือนนั้นก็จะเป็นสมบัติท้องตน แต่นั้นขอผู้คนฝูงมุ่งมันนาต่ที่ปฏิบัติทฤษศาสนาเพื่อศาสนาต้องคูรรู้ดีกวต้องรู้เชือต้องรู้ผิดต้องู้ผูกต้งู้โดยใศาสนาเขาควรรู้ทำสอนเขาครู้เรารู้เราใส่ใจพิจารณาศึกษาปฏิบัติทางตาทางวิจารทางใจของเราเราต้อใจตรงนี้ ต้องเข้าใจว่าในโลกสวรรค์วิพญาณอยู่ที่ไหนมันจะประจกักษ์แทบเตนในใจของเราและจะมีอะไรสงสัยเมื่อมีอะไรสงสัยจุดหมายปลายทางคระวิญญ า, านได้ความประสงบสุขความสะดวกสบายนั้นในต่อไปถามถึงมันพร้อมเต็มเต็นอยู่แล้วในจิตในใจของผู้ที่ปฏิบัติแต่นั้นขอทุกท่าน เพื่อนไปที่พิ จ, จารณารักษากายรายใจใจทองตัวอย่าให้มันเชื่อมันเสียสิ่งที่มันเชื่อมันเสืียําจัดทับไล่สิ่งที่มันดีมันดีเศษรักษากอบเกวือเอาไปเมื่อทุกท่านเหนือประมาทมีโอกาส ท, ทำคนงานความดีอยู่ทุกหีุทุกวันแล้วคุนงานความดีนั้นจะเป็นเพื่อนสองทองตัว ไปสืบฐานคือไปจะมนีเชื่อมีแต่ความสงบตุกตลอดการตลอดเวลาการอธิบายธรรมะยิงาพอต้องควรเยเวลาพอยุติเฉยๆนี้เอัง